ที่แจงชนิดพระเจ้าจยอยยอนก็เห็นชอบด้วยก็จไงเชิ้นคุ้นถือรับส า, สา่ให้สมอีกให้ผู้นี้เพราะว่าผูน้นี้เป็นเจ้าของคำตอบอยู่แล้วนีมีรับสั่งไปว่าอย่าให้ออกรบผู้เลยให้รักษาห้าวไว้ให้มั่นคง น, นี่ความจริงอันนี้มีอยู่ประการนึ่งที่โดยทั่วไป นายฐาน ท, าทัพผู้ใหญ่ทั้งปวงในระดับผู้นํากองทัพจะต้องรู้ดีประการหนึ่งว่ากองทัพของเบ่งยกมาจากเสฉวนไกลเดินทัพมาไกลเข้ามาอยู่ในแดนล้งเอียงประการที่จะสําคัญที่สุดก็คือประทับเขาไว้อย่างนั้นไม่ต้องรบไม่ต้องพุ่ง ไ, ไม่ต้องทําอะไรนายที่สุดเสฉวนก็เสฉวนโองเบ้งก็โคงเบ่งเนี่ก็ไม่อาจจะทนอยู่ได้ จะต้องถอยกลับไปเองเ้วยเหตุอันสำคัญที่สุดคือเรื่องของเสเบียง น, นี่นี่เป็นความสําคัญหละ่ะนี่พระเจ้าตัวย้อยก็ส่งแจ้งเดเหตุนี้อยู่ชินขุมก็รู้ด้วยเหตุนี้ด้ี้สุมาอีนั้นก็แปว่าเปิดจารอยู่ตลอดแล้วอ่ะที่จะประทักไว้เท่านั้นเพื่อจะออกรเป็นครั้งใดเนี่ยก็มีต่จะเพ่คงความสูญเสียอยู่ตลอดเวลาเอานหนังสือรับสั่งฉบับนี้อย่างนี้ มีมาถึงสุมาเอียสุมาอีแกงดังนั้นเนี่ยตอนนี้รับสันงนี่แหละไปประกาศแกไม้นนทัพไม้กองทั้งปวงอย่าขัดเกลื่อนรกระแสรับสั่งเป็นอันขาดทหารทั้งหลายทั้งปวงนั้นน่ะต่างก็จําต้องรักษาท่ายันอยู่ฉะนั้นไม่อาจจะขัดขืนคําสั่งสุมาอีซึ่งอาจจะขัดขืนได้และนิอา เป็นระโการของพระเจ้าจยอยได้เลยฝ่ายของเบงขเบงก็รู้กิติศัพ์เนียว่าพระเจ้าจยอยแห่งนั่งซื้อมาถึงสุมาอี้อย่างนั้นมไม่ต่อลบขเบงก็จึงว่าแกฐามบัวของเบ่งเอ่อขงเบงก็ว่าแกถามบัวว่าซุมาอี้ คิดยอดทอจึงไม่ได้ออกยกออกมารบพูดกับเราเกลงอุ้ยนี่เขาจว่าเมื่อความที่นี้เหตุใดถึนจริงแจง้งเกลงอุ้ถามของเบ้งเนี่ยเคตุใดจึงรู้เนี่ยโอเบ้ก็ตอบว่าเราเห็นว่าซูมาอี้ไม่ได้ออกมารบเป็นราชานา น, น, นก็เพราะเกรงเราอยู่แต่กลัวถานแม่ปวงจะเสียน้ําใจจริง บอกไปถึงพระเจ้าโจยย้อยว่าจะขอยกกองทัพออกรบนะ่ะเด็กพระเจ้าโจยย้อยนะก็รู้จริงมีหนังสือมาห้ามไม่ออกรบพุ่งก็หวังจะเอาใจแต่แม่ทหารไว้ไม่ให้ขัดคําสั่งซุมาอี้แม่รับนั่นเองแต่เราจรึงรู้ว่าสุมาอี้นะนี่ปราการหนาจะยกออกมารบพุ่งกับเรากร็เลยย่อทอต่อเราอยู่ผมเปิกล่าวดังนี้ซูเกจิ ขณะนั้นก็พดีบีหูอีมาจากเมืองเซชวนมาบอกกับผองเบ่งตามเมื่อความสึ่งโจโยอยได้ยกทัพเป็นสามพานไปตีเมืองกังตังนั้นให้ผมงเบ่งฟังทุกประกาศและกว่าแบบนี้กองทัพเมืองกังตังก็เสียทีแก่โจยอยเลิกทัพกลับเข้าเมืองกังตังสิ้นแล้วผมเบ่งเดยันก็ตกใจทีเดียว พี่นี่เป็นแผนสำคัญมีหนุนสือไปให้เพืเ่อจะสุดกวนแห่งการตังไปล็อเอียงเข้ามาทางหน้านมูนแต่แบบนี้ข่าวว่าการตังท่ายเป่ายกทับกลับไปเลยเนี่ยผมเบ่งเนี่ยร้องพ้ดีเสียงอังดังเลยทีเดียวแล้วก็ทอดใจใหญ่ลมกระทะขึ้นมาผมเบ่งก็ล้มสลลกลงกับที่ตรงนั้นเองคุณมาร์ตฐานท่านพวงเนี่ยก็ตกใจ ช้วยกันแก้ไขนวดเฟ้นเป็นฟื้นขึ้นมาและของเบ่งก็พูดว่าโรคเก่าเรากำเริบขึ้นแวเห็นชีวิตเราจะไม่ยืมสืบไปจนเวลาน หายได้พอฟื้นขึ้นแต่ผมไม่ได้หนึ่งนอนใจซบสซมแต่ประการไดล่ะเพราะอยังน้อยที่สุดนะรู้อยู่ว่าเวลาเวลาที่ตนจะมีชีวิตอยู่เป็นคนเนี่ยมันน้อยเข้าไปแล้วคําวันนั้นคงเป็นกุห์พยุงกายเดินออกไปข้าง น, นอกเพื่อไปนอกชายคาดูอากาศ เห็ดาวสำหรับตัวนั้นเศร้าหมองกว่าแต่ก่อนที่เกียวเกียวทำไมไว้นี่ยทำไมดาวประจำตัวของเบงเนี่ยความจริงคองเบงก็รู้บัดนี้ก็ต้องออกไปดูดาวประจำตัวของตัวเองนี่แหละเห็นแบบเศร้าหมองกว่าแต่ก่อนนะของเบงก็ยิ่งตกใจเป็นอันมากก็พาเกียวอุ้ยเข้าไปนาทีข้างไม้แล้วกวาดชีวิตเรานี้ เห็นเจตตายในวันพรุ่งนี้แล้วผมเบ่งกำหนดวันตายให้ตนเองดังนี้เลยเกียร์อุ้ยก็ฝันเขาตกใจก็ถามว่าเหตุใดมหาอุตราจจึงว่าจะหนี้ผมเบงก็จึงบอกว่าเราพิเคราะห์ดูอากาศเห็นดาวสําหรับตัวเรานี้วิปริจจึงรู้ว่าจะสิ้นอายุแล้วเกียร์อุย ก, ก็จุดให้เปนั้น คุณจงแต่งการบูชาเทพ ย, ายาดาสดอกเคราะห์เสียเห็นพอจะสืบ อ, อายุต่ตอไปได้บ้างคนมิ่งก็ตอบว่าอันการนี้เราก็แจ้งอยู่แต่เป็นโบราณนักกรรมแต่เป็นโบราณโบราณนักกรรมถึงอายุของเราแล้วแต่ก็เอาเถอะจำจะแต่งบูชา ขอกำลังเทพพญดาให้ช่วยตามบุญคือก็ไม่รู้กาหนดชีวิตของตนเนี่ยแต่ก็จะเกิดทำแตะทำวิธีต่ออายุแต่ก็ไม่ก็สั่งเย็นอุยวะเยินอุยท่าจงจะได้เห็นแต่ยากเลยองจัดแจงทหาร49คนให้ผมเสื้อขาวใส่หมวกขาวถือธงขาวล้อมวงเราอยู่ อย่าให้ผู้ใดเข้าออกรู้เห็นเป็นอันขาดเราจะนิ่งทำการอยู่แต่ในม่านแต่ในเวลากลางคืนให้ครบเก็บวันแม้เห็นโคมสำหรับตัวเราสุขใสสว่างอยู่เราก็จะมีอายุส่อไปได้อีกสองปีแต่ถ้าเพลไในโคมมันดับเราก็จะถึงแก่ความตายเป็นมั่นคงของเบ่งสั่งการบอกปลา่าไว้เสร็จ เกวีก็รับคาออกมาจัดแจงทําการตามที่ผงเมฆสั่งทุกประการล่ะคือมีการป้องกันระมัดระวังรักษาเป็นอย่างดีเพื่อพิธีสืบอายุนี้สำเร็จให้จุงได้ โบราณ น, นียครับเป็นโบราณเ น, น่กรถึงอายุของเราแล้วโบราณเน่นยกรรมก็โกงตัวกรรมเก่าเอาแค่ น, นี้เองง่นะครับกรรมแบบปานก่อนกรรมที่ทาไว้บบนี้ถึงกําหนดถึงอายุจะต่ออายุหรืเอาครับถ้าต่อสําเร็จจะอยู่ได้สองปีเอาไปดูเก้าไปกระทั่งบางคำคงไม่สั่งละครั้งเวลาทำ ผมเบ่งก็จุดโคมไว้นอกมาก49ใบคมไฟ49ใบในม่มากมัน้นจุดโคมร้อมตัวเองอยู่7โคม7ใบเอาคระพิธีต่ออายุในี่ใครจะทำนนอยเบ่งมันก็ได้ะครับและโคมใหญ่สำหรับเสี่ยงภายเนี่ยจุดไว้ตรงกลาง ตั้งเขาตอกดอกไม้จุดผูกเปียนขึ้นบูชาตามตำราแล้วก็รัฐนาเทพยดาละประชุมมุลเทพยดาสรุปรวมความเป็นภาษาที่พเราเข้าใจอย่างนี้ตัวข้าพเจ้าชื่อจูตัดเหลียงคือของเบ้งถรือกำเนิดมาในระหว่างแผ่นดินเป็นจราจรม พระเจ้าราบีมีความอุสาหไปหาข้าพเจ้าถึงสามครั้งก็ได้มาช่วยทําการทะลุบํารุงแผ่นดินพระเจ้าราบีนั้นมีพระคุณชุบเรียงข้าพเจ้าถึงขนาดเมื่อพระองจิสวรรค์ก็ได้สั่งการทั้งปวงไว้แก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ได้คิดการทําการสงครามหวังจะกําจัดศัตรูแผ่นดิน และการท้งนี้ก็ไม่สำเร็จบัดนี้เห็นดาวสำหรับตัวขา้าพเจ้าเศร้าหมองจะถึงกำหนดอายุอยู่แล้วตัวขา้าพเจ้าตั้งใจทำการบำรุงพระมหากรสก็ยังไม่สำเร็จขอเทพ ย, ยดาทั้งปวงจงให้กำลังและชีวิตขา้าพเจ้าไว้ก่อน จะได้ช่วยป้องกันดับร้อนอนาประชาระะัศดรซึมไปนี่คือถ้อยคำที่คงเบงกล่าวถ้าเราจะอ่านุงไปให้ชัดให้แก้งเป็นจริงๆนเนี่ยคงบงไม่ได้ข อ, อการสิ่งนี้เพื่อตัวเองเลยต่กระทำการนี้สำเร็จตามที่ได้รับปากรับคำองค์อัติราชูมงรับไปแล้วให้จมได้ด้วยการสำคัญ ปิคมเบจะเททูนสถาบัานพระมหากษัตร์ของตเนี่ยจะเป็นรอรัชวงห้ามตอไปให้จนได้และจะได้ช่วยป้องกันดับร้อนให้กับอนาประชาราษฎรเนี่ยนี่เป็นความสำคัญละ่ะแล้วคงเบ่งก็ น, นั่งอา ม, มมบริกรรมไปจนรุ่นครั้งรุ่งเช้าคงเบ่งก็ออกว่ารายการนี่จะเราจะกล่าวว่าคงเบ่งบอก จะตายในวันพุเป็นมั่นคงนี่ชีวิตเรามีเห็นจะตายในวันพุธนีมม้แล้วเนี่ยผมไม่บอกกับเก่ง้ยเนี่ยแย่งน้อยสุดนี่ผ่านไปคืนหน h e งละพอรุ่งเชา้าหกหลงผู้นี้ได้เห็นแก่ชีวิตตนพอเช้าก็ออกวาราชการปวดตาจำชับทแทบแทหารในรักษาไข้และกด้วยโรคภัยไม้อ่ะ คงเบ่งอัดเกียเป็นโลหิตออกมาเป็นหลายครั้งคุณานายเรนน่าฐานบงก็ช่วยกันแก้ไขครั้งเวลาค่ำคงเบ่งก็เข้ากระทําการพิธีต่ออายุของนตนต่อไปตามตางราตอนกลังวันก็อุสาออกว่าจัดการอยู่เช่นนั้นวิได้ค่ดและกิดทาการได้ถึงหกคืนติดต่อกัน ที่ต่ออายุนี่ต้องทํากันเก็บถึคือเก็บวันเก็บคืนทีนี้ฝ่ายสุมาอสิสุมาอมีด เ, เดินฐานขอเบ่งออกมาดาา่าท้าทายทารบหลายวันก็มีความสงสัยเหมือนกันครั้งเว ล, ลาตอนคืนวันนั้นซูมาอีเนี่ยก็ออกมาดูอากาศเห็นอากาศวิปริตก็ดีใจที่ดีใจก็ได้รูว่ความวิปริตนั้นอนะ วิจัยเกิดแก่ต้นจะเกิดกับศัตรูนี่ซมัยที่เขดีใจก็บอกกับแฮหัวป่าว่าเห็นดาวมหาอุปราชมือนเสรชูนั้นเศร้ราหมองอายุขมเบงจะถึงกำหนดอยู่แล้วท่านจงคุมทหารพังนงไปนคกฆ่าขงเบงแม่เห็นทหารในข่านันสงบอยู่นั่นคือขมเบง ต้องป่วยลงแล้วเป็นมั่นคงเมื่อเป็นเช่นนั้นท่งจงร้องท้าทายให้ฐานคงเม่งยกออกมารบแมเรารู้ประจักว่าคงเม่งเป็นประการใดก็จะได้คิดการสืบปัดคือสุมารอรู้รู้โดยตำรารู้โดยการดูดวงดาวนะ่ะรู้นะครับแต่ที่รู้นะ่ะมันยังไม่ชัด ก็ต้องการให้จะให้รู้เลยมันชัดขึ้นอีกจิ้สท่งแหววป่าไปเนี่ยก็จะได้รู้ให้ชัดแหววป่าก็คุมบางร อ, อกไปดูตามที่สุมาอีสาา้สั่งละทีนี้ฝ่ายของเด็กกระทาการค ร, ครบหกคืนแล้วผ่านมาแล้วหกคืนเห็นเพลิงในโคมใหญ่ที่จุดไว้สำหรับเสี่ยงทายอายุนะ่ะ รูปเรียนสว่างดีก็มีความยินงดีนะก็จึงคิดว่าเราจะสืบอายุต่อไปได้ในขณะนั้นเกียงอุยเนี่ยเกียงอุยอเรียกว่าฐานเอกคนใหม่อะ่ะเกียนอุยอตรวจตราฐานที่ร้องวงทั้ง49บคนเรระมัดระวัแงแค่แข็งหนักนะให้คอยดูปองกันผู้คน อ, อย่าให้เข้าออกได้เพราะนี้คืเ น, เ น, เคคนเดียวนี่เก่นอุยก็ไปตรวตราคือคมเบ่งมอบหมายความไว้วางใจที่ามม อ, อกชีวิตใ้เก่งอุยเนี่ยเก่นอุย ก, ก็เคยทำอย่างดีตรวจตราระมัดระวังเข้มแข็งและเก่งอุเยเยก็เข้าไปแหวกม่านดูเห็นขมเบ่งน่งอาย่ายผมถือกระบีนั่งอาบ น, นอยู่ก็บริ ว, วารนั่งสดมุนอยู่ละ และขณะนั้นก็ได้ยินเสียงทหารสุมาอียะคือแหว์วปาที่คุมหานพันหนึ่งอะ่ะมารอกดูเนี่จะประกันได้อย่างไรก็ตามเถิดเกียริอินเสียงทหารสุมาอีรองทาง้าทาอยู่หน้าคลายเป็นข้อหยากช้าเกียรติก็ออกมาจากที่ข้างในแล้วก็สั่งทหารให้ออกไปสืบดูว่านอกคลายนั้นมีอะไรประการใดอย่างไรบ้าง วีเอียนเขามีความเป็นคุณลังเก่าทหารใหญ่ถหารเก่าทหารเอกวีเอียนได้ยินเสียงถานสมัยมาร้องท้าทายดาวนั้นก็โกรธและก็ไม่ได้รู้รอกว่าของเบ่งทำการอยู่ข้างในวีเอียนก็ทะลกทะลักเข้าไปเลยทีเดียววีเอียนจึงทะลวงเข้าไปหวังจะบอกของเบ่ คือแม้ความต้องผ่านราวฐาน49คนที่ดูแลรักษาอย่างเข้มงวดทันพร้อมกับเกียงวีด้วยนะไม่เหอียนพวก็ไปเลยพวกก็ไปในวงพิธีที่ขงเบ้งกำลังทําพิธีต่ออายุอยู่นี่แหละก็ไปสะุดโคมเสียงทายอายุของ ข, อ ง, ของเบ้งเข้าด่บไปเลยขงเบ้งเห็นดังนั้นตกใจทิ้งกระบี่ร้องขึ้นเสียงงินดังว่า ความตายนี้เป็นมุราญกรรมหรือมากว่าจะคิดอ่านแก้ไขประการใดก็ไม่ผลตัวเราครั้งนี้จะถึงความตายเป็นมั่นคงถ้าเราจะสังเกตนิดดูไหมครับวกหลงเนี่ยขเบ้ี่ยทนต้องอบรมจิตของท่านไว้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวถึงท่นนี่จะโกรธแค้นมีเอียมหนักหนาเลยเนี่ยนะก็บอกว่าความตายเนี่ยเป็นมุราญกรรม เราก็รณีก็ เ, กเป็นกรรมในอดีกว่ากันอย่างนี้อ่าเป็นกรรมแต่ปานก่อนทํามาแค่นี้ก็เป็นแค่นี้ต้องตายแค่นี้เป็นธรรมดาหนะ่ะต้องไหวอย่างนี้แก้ไขยังไงก็ไม่พ้นในเมื่อจะต้องตายก็ต้องตายตัวเราถึงเดียวกว่าตายในครั้งนี้เป็นมั่นคงผมเบ่ก็เพิงจะตกใจมากจริงแต่ก็ยังมีสติแล้วก็พูดมาเท่านี้พินิจฝ่ายเก่งอุ้ยสินี่มันเป็นช่วงเวลาที่เก่งอุย ออกจากที่ข้างในไปสั่งทหารให้ออกสืบว่าใครมาด่าเรื่องเราประการใดอย่างไรมันเป็นตอนที่เกียร์อุยไม่ได้อยู่พอดีและในตอนนี้เกียร์อุก็กลับเข้ามาพอดีเห็นเห็นดันไหมเกียรอุ้ยถึงจะเป็นฐานใหม่อะแต่ว่าเกียรอุยก็ได้เป็นฐานใหญ่พอสมควรเหมือนกันนอกจากฟีมือเกียรอุยนี่ก็ใช่ย่อยเกียงอุ้ยชักระบีออกจากข้าอุ้ยเอียนเลทีเดียวคงไม่ต้องหยุดมือเกียรอุยวะ แล้วก็กล่าวห้างขึ้นว่าซึ่งทผาจะฆ่าวีเอียนจะนั้นไม่ควรอันเหตุทั้งนี้เพราะกรรมของเราจะถึงที่ลาย เ, ยเองผมได้พูดดังนี้แล้วก็อัดเกียน์ไปรูปหิบออกมาแล้วก็สลบลงไปกับที่อีกครั้งหนึ่งผมด้กับวีเอียน จะกล่าวไปสักนิดหนงมึนจะเป็นคู่เวรคู่กรรมประการใดอย่างไรกันอยู่ครั้งแรกโค้งเบ่งเจออุยเอียนซึ่งเป็นผู้เปิดประตูมือทรงหยงรับกองทัพรอบปีที่กำลังย่าแย่จากการถูกกระน่ำโจมปีจากกองทัพอันเปลี่งไกลของโจวินไปโชดแต่ครั้งก่อนนะู้นอุยเอี่ยนเนี่ยเป็นผู้เปิดประตูมือรับแต่เมื่อเข้าไปในเมึองโค้งเบ่งสั่งะหารชีวิตอุยเอี่ยนทันทีในตอนนั้น เกิดเหตุใดประการใดอย่างไรสุดแต่ท่านนครับท่านผู้รู้อขอใช้คําว่าท่านผู้รู้ที่ไม่ออกชื่อออกนามละท่านบอกว่าฮกหลงนี้มีวิชาความรู้เป็นที่ยิ่งอยู่ประการหนึ่งคือวิชาโหราศาสตร์นี่ะมีความชำนิชำมานหนัก ห, หนาอยู่แล้วก็เหมือนจะรู้ชักอยู่แล้วเหมือนกัน พวกอุยเอียนเนี่ยนอกจากจะมีลักษณะวกเป็นผู้มีความทรยศโคตรในขอดูดูทุประการแล้วเนี่ยก็เป็นผู้ที่เป็นคู่เวนคู่ก ร, รมที่เกิดมาเพื่อจะทำลายร้างชีวิตฮกหลวด้วยด้วยเหตุนี้คือหลายหเหตุรวมกันฮกหลวงของเบงจึงสั่งประหารชีวิตอุยเอีนทันทีเมื่อพบกันครั้งแรกแต่ครั้งนั้นรอบปีได้ขอเข้าไว้แล้วุยเอียนก็ได้อยู่ มาต้นตลอดจนกระทั่งบัดนี้อีเอียนก็เป็นผู้ไปเกิดทำให้โคมเสียงพายอายุโขงเบ่งดับแต่ด้วความเป็นผู้มีสติอย่างสูงด้วยการอบรมจิตตนไว้อย่างดีของหกหลวงโขงเบ่งนี้ไม่ได้โกรธแค้นมียเียนไปอย่างไดเพียงมีจะฆ่าอุยเอียนด้วยความโกรธโขงเบ่งก็ยังสู้กล่าวขอชีวิตไว้อีกแหล่ ทั้นี้เพราะกรมของเราจะถึงที่ตายเองผมเบ่งสรกลงไปตอนนี้เกียรอุ้ยและอุ้ยเอียงด้วยอ่ะอุ้ยเอียงก็อยู่ในที่นี้เนุ่มอย่างนี้แล้วก็เด็ช่วยกันแก้ไขจนฟื้นขึ้นผมเบ่งฟื้นขึ้นมาก็เห็นเกียร์อุ้ยอุ้ยเอียงมาช่วยเหลือพยามาลตั อ, อยู่เช่นนีกพูดกับอุ้ยเรียนว่าสูมาอี่ะหมายใจว่าเราป่วอยอู กินให้ฐานมายาวดูวังแครู้เปิดจักร่านจงคุบานออกไปรถกับฐานชูมาอีเถอะผมเร่งฟีดขึ้นมาแล้วก็อนุญาตใร้วเยียนออกไปรบุยเอียนได้รับคําอนุญาตเนั้นแล้วเนี่ยก็มาจัดแจงทหารและตนกขึ้นมาพาฐานออกไปจนมากค่ายเลยทีเดียว แอลวปาผูมาดำเนินการตามแผนซมาเียก็จริงตามที่ผมได้บอกน่หละว่าซมาเอียหมายจะอยู่วรวรวนไอที่ส่งแอวปปามาเนี่ยแอวปามารองทางไยเอยงขับมาออกมาเนี่ยแอลวปานี่ก็พาฐานถอยกลับไปขายเพรไม่ใช่ต้องการจะมารบต้องการจะมาให้รู้เท่านั้นแหละ โกงเบ่งเจ็บไข่เด็วยสาหัสจึงไม่จริงประการใดตามที่สมาชิกใช้มาเนี่ยตนมาร้องร้องท้าทายแล้วนี่เขาออกมารบนี่วฮอปป้าก็กลับอุเอียนก็ขับม้าตามไปประมาณ200ส0งร้เซนก็ไม่ทันทัานไม่ทันอุเอียนก็กลับมารายงานแก่โกงเบ่งให้แก่โกงเบ่งให้อุเหอียนไปรัษาหน้าพี่เหยียนเดินแหละแล้วโกงเบ่งก็พาเพียงอุยน มานาที่ข้างหนแล้วก็วัดตัวเราตั้งใจจะบำรูพระมหากรัสับก็ไม่สมความคิดเพราะชีวิตเราจะตายอยู่แล้วแต่เรามีวิชาความรู้และตำรับตำราึ้่ได้รับเรียนมาคิดเป็นอักษรแล้วส0บหน1 2ตัวนี่คิดเป็นอักษรทั้งหมดมีสิบน สี่พตัวหนพันอยสิบสองตัวอักษรคิดเป็นความ2ีข้อตำรับวิจัยยสสครามและตำราดูเรกบนเรกตัามอยู่ในนั้นทั้งสิ้นเราพิเคราะห์ดูไม่เห็นผูดด้ใดซึ่งจะมีความอุตสาหะ ร่ำเรียนตำราทางนี้ได้เห็นแต่เกียงอุยท่านผู้เดียวที่มีสติปัญญาทั้งมีความศั์สิทและประกอบด้วยความเพียงเป็นอนิจจควรจะรักษาตำราและร่ําเรียนให้ชำ ม, มาลไว้ได้ขนเบ่นหมอกสัพตําราวิชาการทา่านผู้ให้กับเกียงอุยผู้มาใหม่เนี่ยเกียงอุย เด็กฟันดังนั้นก็รับตำราทั้งนั้นไว้แล้วก็ร้องไห้ของเม่ก็ตําราฉบับบูมะชิอยจะให้เก่งฮุยดูแล้วก็พูดว่าตําราอันนี้เป็นตําราหน้าไม้ตําราหน้าไม้ของเรานี้คิดเองคิดไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำท่านจงเอาไว้และคิดนานก็ทําขึ้นเถอะจะยิงได้กีละสิบรูบีไง หน้าไม้จดเรียกว่าเก่าทำทะลุอะไรก็เอามีเป็นหน้าไม้อาวุธชนิดนึ่งรู้จักกันอยู่แล้วล่ะยิงได้ทีละดอกทีละลูกแต่ผมไม่คิดไปแล้วยิงได้ทีละสิบลูกแต่ไม่ได้ทํเท่า น, นั้นแหละเกณฑ์ธรรมะแล้วก็รับวัดคนไดก้ก็จิงว่าท่านโจมบำรุงรักษาแผ่นดินตามตารานี้เถอะอันมือเสฉวนนั้น ม่ได้มีค่าสุดม่่งเข้าไปทำอันตรายได้ด้วยด่างทานนั้นเป็นซอกเวยเนินเขาเป็นด่านนะท่านต้องระวังรักษาแต่ตล ม, มิงเป่งนั้นเถอะเห็นจะมีค่าสุดน่่งเข้าไปทำอันตรายได้ทานเดียวเด็กต่างเพียงคนเดียก็เรียกมาใต้เข้ามาเห็นมาใต้เข้ามาใกล้แล้ว มูมาต่เขาไปใกล้ของเบงก็กระซิบสั่งความว่าถ้าเราตายแล้ววีเอียนจะเป็นขบถต่อพระเจ้าเราเสียงเจาจงไปอยู่กับวีเอียนณค้ า, ายวีเอียนและคิดอ่านกำจกัดให้จงได้ขอไม่สั่งดังนี้มาไตาก่ก่อนรับคำแล้วก็ขมบรากองเบง ออไวามปอยู่ด้วยกบอุญิยมทุกคนตอนใกล้ตายหนึ่งเป็นรื่ควา ม, มวิตกกังวลต่างๆนานาประการนิพาระที่รับไว้นักนนะ สี hey. ตัต้มตวิเอียนพบอกเลยวิเอียนจะเป็นขบถความนี้เธอดกลัาไแล้สุ่มโกนแห่งกลงต่างก็รู้เธอที่อยู่ห่างอยู่ไกลหน้าหนาว่าจากซึ่งของม่เงาเอีนต้อง เ, เป็นขบถเอาสั่งมาตายคบอง่ก็เลหาตัวเอียวหนีเข้ามาแล้วก็สั่งว่าตัวเราจะถึงแต่ความตายแล้วอันวีเอียนนั้น จะเป็นขบด ต, ต่อพระเจ้าเราเสียนท่านจงเอานี้สีนี้ไว้ถ้าขัดสมเมื่อใดให้ชี้ครนึก่ออกดูแลจะให้ทำกรรมแต่ผู้ซึ่งจะข้ามีเอียนมนั้นมีตัวอยู่แล้วนี่อภินิหายกองผู้ตายนี่ถือข่มเบ่งใตาและมีอภินิหามากทีเดียวละนี้คําสั่งไว้แล้วนี่อาระสั่งมาดตายแล้วสั่งเกี่ยหนีแล้ว แล้วก็บอกเอี่ยงหนีไว้ด้วยคนที่จะฆ่าอวี๋นั้นะมีตัวอยู่แะเอี่ยวหนีก็ร้องไห้รับมุ้งสื่อนั้นมาแล้วก็ขมัดปลาออกมาของเบ่งสั่งการแล้วก็สลบไปอีกสลบอีกเป็นเวลาช้ามานทีเดียวจนกระทั่งค่านี้ตรงเอกคืห น, นหนึ่งวันหนึ่งนะครับจนค่ำวันนี้ก็ตัเวเร็วเป็นค่าวันที่เจ็นะ พิธีไม่ถูกทำลายโดยตุยเอียนคนด้วยก็คงจะมีชีวิตต่อไปอีกสองปีข้าวันนี้ผมเบ่งฟื้นขึ้นมาแล้วเอากดแต่งหนังสือต้องเขียนสื่อบอกอาการป่วยหนัแห่งตนเหนมาดใช้รีบผืขึ้นไปทูลพระเจ้าเราเสี่ยงพ่อเจ้าเราเสี่ยงแต่ไม่กดตกใจให้ลิหกรีบม่เยี่ยมแม้ผมเบ่งจะสั่งความประการใด จึงจังเอามาบอกแกเรารีโฮกขมับรามายังไข่เขาอีสานก็เข้ามาบอกผมไม่หวัดพระเจ้าเราเสีงแจ้งว่าท่านป่วยหนะักไม่สบายจึงให้ข้าพเจ้ามาเยี่ยมผมเองก็จึงว่าตัวเรานี้คิดจะอยู่ทำราชการสงองคุณเจ้าแต่บัดนี้หาบุญไม่อายุจะถึงกับควนปตายในวันพรุ่งนี้แล้ว ตัวท่านอยู่ภายหลังจงตั้งใจสุดจริตต่อพระเจ้าเราเสียใ น, นหนิงเราซึ่งจะใช้ผู้คนทำการสิ่งใดจงประมาณการหนักและเบากับสติปัญญาผู้นั้นให้ควรแก่การจึงใช้นี่คงไม่สั่งกวาาเมื่อเป็นตำราอันสำคัญเลยทีเดียวล่ะแล้ ว, ลวหลวงใช้การ น, นี้มาโดยตลอด คือจะใช้ผู้คนในต่อในเหมาะกับการกับงานนั้นให้เหมาะกับสนนีิปัญญาคนพูดนะ้นผมได้พูดต่อไปว่าอันการข้างฝ่ายทหารและตำราที่จะจะสงครามนั้นเราก็สั่งเกียน์กูนไว้เสร็จแล้วท่านจงกลับไปทูลพระเจ้ารอาเชียงก่อนเถอิดว่าเราเป็นคนบุม น, น้อยจะขอกราบประวัติบางโกราตายในวันพรุ่งนี้แล้ว มีเสือทีไปถวายต่อภายหลังอีกนี่ขงเบสั่งการเสร็จวิลิโคก็ขมับรารีขึ้นมากลาบไปผมเดงเพิดทหานพา ย, ยุขึ้นกียงออกไปปราตรานหน้าไขาและขณะนั้ น, นเป็นเทศการหนาวก็ลองคิดดูคนติดตัวไข่นะัก ยจะตายอยู่แล้วแต่ยังต้องต้องออกไปปัวกปลาของเม่งนสัตทานเลยทีเดียวอากาศหนาวเน็ตนักสัตทานเป็นที่สุดแล้วก็กลับเวียนกลับคืมนมายังค่ายพอได้ใจใหญ่แล้วก็ว่าตัวเรานี้มีความสักสืทอิ์พอเป็นดินแต่มาถึงแต่ความตายเทพยาดาไม่ช่วยเราแล้วหรือ แล้วก็รีหาเียนีเข้ามาอีกแล้วก็สั่งว่าตัวเราจะหาุมไหมนะท่านจะเป็นผู้ใหย่อยู่ในกองทัพจงเลี้ยนดูทหารทั้งปวงอย่าให้เสียน้ำใจอันอองเป็งมาต้ายเดียวว่าเดียวเอ็กเดียวหนีห้านนี้มีใจสักย์ซื่อท่าจงทุ บ, บำรุให้เหมือนตัวเรา อันหนึ่งเือาจะเลอกกองทัพกลับมันมอย่าวู่วามให้ถอยไปโดยปกติถึงแมาสวัาาสดิ์ึกรู้จะติดตามไปก็ให้ช่วยกันรบพุ่งป้องกันอย่าให้มีอันตรายแกทหารใหญ่น้อยได้นี่คงเป็นสั่ด้วยความห่วงยายพ่ายผมชนิดและพูดต่อไปว่าอันกีนงีนั้นมีสติปัญญาและฝีมืออยู่ เราก็ได้สั่งการทุบวงไว้เร็จแล้วแมท่าจะทำการสิ่งใดค่อยปรึกษากับเกียร์อุ่ยของเบงสั่งเอียวนีหลังนี้เอี้ยวนีก็รับคำคำมับแล้วก็ร้องไห้อยู่ของเบงมบัด น, นี้ อุตสาห์แขงใจพยุงกายรุกขึ้นเขียนหนังสือที่จะถวายกับพระเจ้าเราสิบเป็นใจความว่าขาะเจ้าของบึงขอกราบถวายบังโคมมาให้สักด้วยขบเจ้าแจ้งอยู่ว่ามุราณกรรมมาถึงแล้วและตัวขพเจ้านี้ กอุตสาหะตั้งใจทำราชการตามสติปัญญาพระเจ้าเราปีชุบเรียงให้เป็นใหญ่ถึงเพียงนี้แต่ข้าพเจ้ามีความวิตกอยู่ว่าศัตรูฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ยังไม่รากรับควรเรือจะมาดวนถึงแต่กวนมลายก็คิดแค้นอยู่ทุกเวลา ข้าพเจ้าตายแล้วพระองค์จงรักษาความสัตด์บำรุงทาหารอาณาประชารัศดรให้อยู่เย็นเป็นสุขตามประเพณีอย่าได้เชื่อทัาคนอันเป็นคนพาลบ้านเมืองจริงจะปะกตะิสืบไปในอันที่อยู่ข้าพเจ้านั้นมีต้นมอนสำหรับเลี้ยงไหมอยู่แ0 0ร้อป้นมมีมา ห้าสิบไร่และที่มากับต้นหมอนนี้ก็พอเรียงบุตรภระยาข้าพเจ้าอยู่แล้วอันทรัพย์สิ่งของข้าพเจ้าซึ่งมีอยู่ในเรือนนั้นขอให้เอาเข้าไว้ในท้องพระครั้งจะได้แจกฐานนี่เป็นความสำคัญเราข่้นต่างหลายรองคิดดูมหาปราชญแห่งแผ่นดินอตําแหน่ง น, นี้ เท่ากับเป็นพระจมีดาของพระมากระสับแต่เมื่อตายแล้วสั่งทำที่ใหนจำามเ้เพียงเท่านี้ปรารถนาเพียงแต่สิ่งที่ตนมีอยู่แล้วเท่านั้นคือตอมอนมนและที่นาเพื่อบุทรยาของตนพอแล้วนี่ของเบ่ง เหมนหนสื้อนี่เศษก็ถือเป็นชะบาที่สําคัญที่สุดแล้วข้าพนิหมาะไว้กับคนสนิทแหละและขุนเป็นก็หันมาสั่งเอี่ยงหนีว่าเมื่อเราตายแล้วเมื่อใดอย่าต้องให้ทาหารทุกร้อนมนี่งขาวห่มขาวเลยจงทํากิริยาให้ปกติตเหมือนเรายังอยู่อย่าให้กิติศัพท์ที่เราตายนั้นรู้ไปถึงขั้สุด จงให้ต่อโลนใส่ศพเรานันงไว้ให้เอาเข้าสารใส่ปากไว้เจ็ดเม็ดเอาโคมจุดโลงรองไว้ใต้ที่ั่งเรามีหวังจะทำพิธีรักษาดาวสำหรับอายุเราไม่ให้หายปัปแม้โคมมันดับลงเมื่อใดดาวสำหรับอายุเราก็จะสูญไปเมื่อ น, นั้น สุมาอี้ไม่เห็นดาวนั้นแล้วสุมาอี้ก็จะรู้ว่าเราถึงแก่ความตายก็จะยกกองทัพมาทำอันตรายแกทหารทั้งปวงแม้กระทำพิธีดังกล่าวนั้นแล้วเพื่อรักษาดาวสำหรับอายุเราไว้สุมาอี้เห็นดาวนั้นยังอยู่ก็จะไม่อาจยกมากระทําั่งยืนท่านจงสั่งเลิอกกองทัพก ล, ลับไปถ้าสุมาอี้จะอุ้มทหาร ติดตามไปท่งจงจ า, ทานจุนจักทหารตั้งดารับไว้เป็นหน้ากระดานแล้วเอาหุ่นรูปของเราใส่เกวียนชักออกมาทํากลางทหารทั้งตัวซูมาอีเห็นรูปหุ่นเราก็จะตกใจถอยไปเองมีโคไบซั่งาการไว้อย่างนี้ไม่ความห่วงใ ย, ยในผู้อื่นทั้งนั้นเดยหมีก็รับคำมันไว้ทุก ป, ประการ ข่อยฐานพายุอกไปข้างหน้าเชี่ยฐานเมืองดวดาวแล้วก็บอกว่าดาวดวงนูนสอยู่ข้างทิษเนื้อเฉียงไปทางตะวันอกนั้นเป็นดาวสําหรับอายุเราฐานเมือดวงดูไปก็เห็นดาวประจัมตัวคนงเบ้นรุบดูรุบดูอยุดเป็นทีเดียวหนึ่งว่าจะปกมาจากอากาศนะของเ้งขอยฐานพายุกลับเข้าไปนะที่ข้างหน้า งั้นคงเบ่งไม่สมประดีเจราจาก็ไม่ออกเพื่อกัรหนักมากครับคุณ น, นายายฐานบุญนี่นก็ตกใจก็พอดีลิภกมาแต่เมือเสฉวนนี่เข้ามาเอ๋มคงเบ่งพู้ไม่ได้สลายเจราจาไม่ออกแล้วนี่ก็ตกใจร้องไห้ร่าไห้ว่าตัวข้าพเจ้ามาไม่ทันเห็นจะไม่ได้รัชการไปทูมข้าเจ้าเราเสียมแล้ว ลีโกรำพันดังนี้ก็พอดีคนเบ่กลับฟืน้นขึ้นมาดนสมประดิริยาขึ้นเห็นลีโกรคงเบ่งก็จีว่าเรารู้อยู่ว่าท่านกลับไปแล้วพระเจ้าเราเสียงจะต้องใช้กลับมาอีกลีโกรก็บอกว่าเมื่อความเป็นปวนที่มหาก ร, ราสังข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าก็ไปทูนแล้วแบบแบบนี้พระเจ้าเราเสียน่ยสมพระวิตรอยู่ข้อหนึ่งว่ะ ถท่านถึงแตควานตายแล้วจะได้ผู้นายเป็นมหาอุปราชแทนท่านผมเบงก็ตอบว่าแม้เราตายแล้วจงให้เกียวอ้วนเป็นมหาอุปราชแทนเราหลงก็ถามต่อไปว่าถ้าเกียวอ้วนหาบุญไม่อ่ะท่านจะผู้นายเป็นมหาอุปราชต่อไปหรอผมเบงก็พูดว่าให้เอาบีวกฮุยตังขึ้นแทนเกียวอ้วนเธอ ลิฮก็ถ า, า, า ม, มต่อไปอีกว่าถ้ามีฮีตายแล้วล่ะท่านเห็นว่าปู่นายจะเป็นแทนีฮูต่อไปอีกบ้าไม่มีําตออจะมาอุปราคาคงเด้งซึ่งใจตายคาคำถามของลิฮกไปชะีเองคงเด้งซึ่งใจในเดือนสิ แรมแปดถ้ำเมื่อคงได้ตายนั้นอายุได้ห4ปีเพลเต้าราสีงเสวยราดได้ส2สองปีพุทธศักราชเจ็รเจ ในกองทัพของบงให้เย็นเยียดเยี่ไปทั้งค่ายพยับลมมัวไปทั่วอากาศทหารทั้งปวงรู้ก็ตกใจต่างคนต่างร้องไห้แล้วก็ห้ามกันไมสงบเสียงหยุดไม่ให้ดุลิลิอินพะยงอุ้ย เดื่นี้เขจัด ก, การศพของเบ่งตามที่ของเบ่งสั่งไว้ทุกประการแล้วค่อยตรวตราฐานทั้งปวงจะได้กกองทัพกลับโบให้กองกหองลังเป็นกองหน้า สุมาเเมื่อเวลากลางคืนของคืนวันที่ของเบ้งมาหาอุปราเหงเสฉวนถึงแก่ความตายนั้นนะคืนนั้นสุมาเอออกมาดูเห็นดาวสำหรับมาหาอุปราเหงเสฉวนแดงดังแสงโหรแล้วก็ตกลงมากลางค่ายคนเบ้งถึงสามครั้ง แล้วก็กลับึ้นไปอยู่ที่เก่าแต่รัสมีลรูรูนี่เด็กปกติสุมาอีเห็นฉะนั้นก็รู้ว่าคงเบ่งตายแล้วก็มีใจยินดีจะยกก อ, องทัพไปไปค่าองเบ้งแต่แล้วก็จึงมาคิดถอยหลังอีก <c oughs> ว่าเอเราจะเชื่อเอาอย่างนี้ได้ก่อนสีสุมาอี ไม่อาจจะเชื่อได้ตามที่ตนเห็นตามที่ตนรู้นั่นแหละแต่ก็จังนีอาจจะเชื่อได้ถึงว่าจะเชื่อเอาอยัางนี้ได้ก่อนเกิดคนเม่งเห็นว่าเราไม่ได้ยออกออกรบขึ้นเป็นหลายวันจะแกล้งทํากลมอุบายอาจเจ้าสารออกไปสุ่มไว้นอกค่ายและใจุดหดอกไม่โ พ, พรงทิ้งลงมาจากยอดเขาอีสาน หวังแค่เราเห็นว่าดาวตกหวังแค่เราเห็นว่าผงค์่ตายแล้วเ๋ยวเราจะได้มีใจกาเลือบยกกองทัพไปโจมตีและขุนเบ่งก็จะจัดกันเอาทหารออกมาสู้สักกดรบเป็นทัพกรนาบหดขยี้เรานีซุมาเอะไว้คิดดังนี้ซุมาเอะคิดดังนี้แล้วก็จริงนีเรืยกทัพ เป็นแต่ให้แหววป่าคุมทหารห้าสิบคนไปสืูให้รู้ว่าผมไม่ต า, หายหรือยันแหววป่าก็คุมทหารไปต า, ามที่ซูมาอีสัง่งฝ่ายวยเอียนวิเอยียนจะต้องกล่าสักนิดมึงกละมังว่า เกิดมาสําหรับทรยดแต่ไม่มีโอกาสได้ทรอยด์ดาวเขาเป็นอย่างนั้นดวงเขาเป็นอย่างนั้นว่าอย่างนี้เถอะท่านผู้รู้ทั้มทุกบ้านทุกเมืองเลยหิเอียงผู้เกิดมาสําหรับทรยดแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทรยดฝ่ายหิเอียงนะ ในคืนวันนั้นก็นอนหลับอยู่ในค่ายแล้วก็ฝันว่าที่ศีษางตนเนี่ยมีเขาโค้งอกขึ้นมาทั้งซ้ายขวาเลยเอาสีมีเขางอกออกมามหู้วีอ็นปืนขึ้นมาก็คิดสงสัยฝันอะไรอย่างนี้ก็จึงแกะฝันให้เดียวติดนายทหารคนสนิทฝันที่เดียวติดเดียวติด ที่เคาะดูความฝันนั้นเอ็นว่าฝันนี้เป็นฝันร้ายนะแต่เดี๋ยวติก็แกล้งทำไม้ไปว่าโอ้ท่านฝันดีนะอันฝันว่ามีเขาเนี่ยเขาประมาณมันแปลงตัวได้ด้วยมังกรก็มีเขาและมังกรก็มีฤทธิ์มีกำลังเป็นอันมากอันนนนิมิตของท่านเนี่ย ก็จะเหมือนลางมังกรสังเวยริบแบกนี่ทำไมไปอย่างนี้ <c oughs> ทาไมร้ายให้กลายเป็นดีอ่ี่เอีนยนเลิกฟั ง, งนี่ก็มีความยิดนดีก็คือว่าแม้สมมติที่ทำทลามไว้อ y เราจะแทนคุณท่านไปถึงคันมาทีเดียวเดี๋ยวกิจก็ทาเป็นรอบคำว่าการทําามของตนเนี่ยถูกต้องอ่ะ แล้วก็ออกมาจากฐานยกไปจัดค่ายก็ไปพบบิหีครบิหีก็ถามว่ า, าพึ่งยกออกมาจัดค่ายหรือเดียวติก็บอกว่าพึ่งยกออกมาเออได้มาแวะเขา ย, ยังค่ายวีเอียนมีเอียนดววววเดียเราวความฝันให้เราฟังเดี๋ยวติดก็เราความฝันของวีเอียนให้แกมีฟัง แล้วก็พูดต่อไปด้วยอบทตนได้แกล้งทําไมบวกเปลือุปมาเหมืนอย่างมังกรอุ้งแปลงตัวได้มังกรมีฤทธิดด์อุงเห็น่จะมีฤทธิ์จะยิ่งจะใหญ่เอาเวาเราให้บีกูฟังมาผู้ประการละ่ะมีกูก็ถามว่าเหตุใดท่าจึงจรูง้ว่าฝันนั้นรายเดียวติ๋กก็หอกว่าเราเห็นร้ายสเพราะอักษรมันเขาประกับกันสองตัว เรียกว่าเขาอันนี้เป็นของอักษรภาษาจีนนะครับและถ้าแยกออกทีละตัวจะอ่านเป็นไม่ความว่าีิเขาทำร้ายเนี่ยเราจิ้นแป้งทำไม้เอาเรื่องมังกรมาเปรียดเชืหวังแค่อยนีนมีใจกำเริบบีหุยก็จึงห้ามว่าท่านอย่าได้บอกให้ผู้ใดรู้เป็นอันขาดทีเดียว และมีฮุยก็มายัางค่ายอีเอียนเข้าไปหาอีเอียนแล้วก็ขับคนแค่ทั้งหออไปเช่ีหมีฮุยก็จูบกับอีเอียนว่ะมือผอไม่งตายนั้นได้สั่งไว้ว่าให้เลิกกองทัพกรับให้ท่านท่านเป็นกองหน้าเนี่ยอยู่เป็นกองหลังเห้คุณมฐานร้างหลังระมัดระวังรักษากองทัพทั้งปวงบัดนี้มายหมวดนายกองทั้งปวง ก็จะเลิกทับกลัปไปตามลำบาท่าผู้เป็นกองหลังจะอยู่ให้กองหลังทั้งปวงยกไปก่อนกระอจะอยู่ให้กองทับทั้งกวงยกน่วงไปก่อนกระนั้นร อ, อบีวีพูดย้ถามอย่างนี้นนหนงก็ถามว่าและผู้ดอ่ะคมเลื่งให้ผู้ใดอ่เป็นแม่ครันบวีก็บอกว่า คงเร่งสั่งไว้ให้เตียร์อวีว่าราชการฝ่ายทหารสำหรับกาเกณฑ์ทหารออกรบพุกให้เอี่ยงหนีถื อ, อาญาสิท์บังคับทหารถึงปวงเอาบีวีผู้จา่าชี่แจงนี้วีเขียนด้วยฟังอย่างนี้ก็จริงว่าเอี่ยงหนีเป็นแต่คุณนานผู้น้อยซึ่งใช้ถืออาญาสิทธ์บังคับนายฐานะบนนั้นไม่ ไ, มได้ชอบแต่จะให้เพียงแค่ คุมศพของเบ่งกลับไปมีเศษฉวนเท่านั้นนะดูว่าเราสิจะคุมงานทําการสงครามเอาความชอบไว้จริงจะควรอันคงเบ่งตายแต่ผู้เดียวเท่านี้จะถึงกับจะต้องเลิกทักเลิกซึกกลับบ้านปรับเมือง ช, ช้เงินมิชันี่ไปเรื่องทีเดียีมิวก็จริงว่าเดิมขงเบ่งสั่งไว้ว่าถ้าคงเบ่งตายแล้ว ให้เหลิกพับกล่ะเมืองซึ่งท่านจะอยู่ทำการสืบไปนั้นนะ่ะจะมีผิดคำาคนเบ้งสั่งหรือลูกเอียงก็จิงตอบว่าการสึกครั้งนี้เป็นด้วยโนเบ้งไม่ฟังคำเราถ้าแม้เชื่อฟังเอาความคิดของเรามั้แล้วก็จะทำคนไม่ต่างเห็นจะได้เงินลกเห็ยงเป็นมานแล้วและตัวเราก็เป็นคนนุนงานผู้ใหญ่ แด่เป็นแม่กองทัพหน้าแบบนี้หาบุญคลบ่้ไหมแล้วเจนี้ซึ่งแค่เราเป็นลูกกองป้องกันข้างหลังเอี่วงนี้นะเราหายอมไหมถ้าว่ากันถึงเป็นความเศร้าโศกเสียใจไหมครับอือเราก็เศรา้าโศกเราก็เสียใจก็ดูคลยๆก็ขนมไม่หิ้งกับเราดูจะรู้จักกันดี ควสัมพันธ์อะไรกันไวร้ายยางนะครับแต่โดยจริงๆของเขามีอย่าสังเกตุได้ น, นิดหนึ่งฮกหลงกระทำการทุกอย่างเนี่ยถ้าจะว่ากระยิงเขาอุทิศชีวิตอุทิศตัวตนให้กับงานของเขานะครับผมเรียกคำว่าอุดมการณ์เลยนะคืองานก็เป็นอย่างนี้เขาต้องทําอย่างนี้ต้องถือทุนอย่างนี้ พู่พูดกันไปหลากระแสก็ไม่ผิดหรอกครับเราจะพูดกันยังไงก็ได้พูดที่เก่งที่สุดในสามกมีคือาปีเ<ฮ>พราะคนเบ่งก็เก่งะแต่คนเบ่งยังต้องกระทำการทบระการเพื่อทรงอธิรร่มเนจากความเป็นผู้ไม่มีอะไรเลยนะครับนี่คือมี ผูพนมมือให้แบดชนทุกชันเล่ายุนเตปีเอาชนะอิจาการแข็งแกร่งของหกหลงผู้มีความสมรรถต้องการอยู่แบบผู้ดำเพลินมืไม่ค้องไม่แวะไม่แกะไม่เอียวกับพังโลกกันละเขาวางแผนวางแนวชีวิตเขาไว้อย่างนั้นจะอยู่ใ น, นสถานที่ที่อันเป็น เขาคขัดเลือกอย่างดีแล้วบ้านของเขาหนีมีเขาจะย้อนกันไปยุบมิ ด, ด, ดอะไรกันมิดนึงนะครมีภูเขาบางอยู่ด้านหนึง่งเป็นเนินเขาเป็นที่รักมีลำทานอ่าปรลบัตมาถูกที่ถูกทานที่อยู่ก็อยู่อย่างดีเขาก็กล่าวเขาจะอยู่อย่างนั้นมาตลอดแต่แล้วก็ต้องแพ้ก็เรียกว่าแพ้ต่อกุมงานความดีที่เล่าปีนี้อยู่ในตัวเองพบว่าลแพ้ ต้องออกมาโลบเริงกับโลกทั้งที่ความจริงเด็กซึ่งคนไม่น่ามองการนี้ได้ตลอดอยู่แล้วแต่ตนก็ยังคิดอยู่ประการว่าจะสร้างปัจจุบันกรรมให้เดื้อกรรมทั้งปวงให้จงได้คนไม่ก็กระทำได้เต็นหลายประการสถาปนาว่าหยุนเต้ปีเป็นองค์อธิราชได้สเร็จสถาปนามาจัดเฉฉวนถึงเป็นเืงงนึ เป็นหนึ่งในสามของว่นนคว้มแผ่นดินจีนอันยิ่งใหญ่นั้นนะฮกหลัวระถังด้สมเด็จและด้วยคุณงามความดีต่างๆนั้นมาในเรื่องของการดำเนิน ง, งานของเขาที่แะก็จึงทำให้แม้แต่เราซึ่งเกิดทีหลังท่านตังเอากันผู้มีอยายสองพันปีก็ไม่ถึงหรอกไหมครับผมไม่ ต, ตายปีพุทธศักราชเจขนานี้ 2องอเอาลบ ก, กันเอาเองก็งเกิดเกื0บสองันว่านั้นเถอะแต่เรายังปลูกพันธุ์ต่อเขาก็โรบชัดชัดทำไมเนี่ยเพราะุณงานความดีที่เขากระทำไว้อ้าวบางท่านก็มาแยกแยะออกไปถึงความร้ยกาบความโหดทารุญโหดไร้การล้างฐานชีวิตมนุษย์เราทหาหันเต็มกับเป็นที่ถูกเผาจนเป็นจาพวกนักสำ กลิ้งซ่าฉกคราบคุ้ประการใดนั่นมันก็เป็นผลของงานที่มันจะต้องกระทำอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นและในที่สุดหกหลงก็ไม่สามารถเอาชนะบุราณกรของตงได้ก็ต้องจบสิ้นขีดไปเลขครับที่นี้เราบากพูดกันถึงอภิ น, นิหารแม่อภินิหารของผู้ปัญญาไม่ใช่ร่่งรบดับขันไปแล้ว แต่ปัญญาเขาเป็นอย่างไรก็มาลงตรงวีเอียนผู้ถูกกําหนดว่าเป็นคนทรยศแต่ตลอดชีวิตวีเอียนที่มีคงไม่อยู่ด้วยนะวีเอียนไม่มีโอกาสทรยศเลยตลอดชีวิตวีเอียนที่คนไม่อยู่ด้วยนะที่คงไม่อยู่อยู่เอยนจไม่มีโอกาสทรยศเลยแบบนี้เหร พอเขารู้ของเบ่งตายแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เขาสอกเขาถามทีเดียวอของเบ่งต่างใทยเป็นแม่ทัพแบบอย่างนั้นแบบอย่างนี้แหะบิวเก็บอกกล่าวไปอย่างนั้นอนั้นอย่างนั้นวิเห็นโกรธทีเดียวโกรธมากแต่ยังเอี่ยงหนีนีเนี่ยเป็นแม่ทั บ, บ, บ, หทห ใ, หทบให้เป็นอย่า ง, งนี้อย่างนี้ไม่ยอมซึ่งจะให้เราเป็นลูกกองป้องกันข้างหลังเอีย่ยงหนีนั้นเราไม่ยอมนี่ง มีเอียนเริ่มเริ่มเริ่อย่างไรเริ่มเป็นตัวของตัวเองละ่ะคือมีความทระยศอยู่ในตัวเองเมื่อหกล้มมีชีวิตอยู่มีเอียนไม่มีโอกาสสำแดงบงัดนี้มีเอียนจะสำแงดงฤิ์ละก็มาว่าว่าฤทธิ์คนเป็นผู้นี้คือมีเอียนกับฤิ์ของคนติดตายไปแล้วคือขององุงนหนึ่งใครจะเหนือคัน ที่เียนว่าอย่างนั้นคือไม่ยอมแค่ไปเป็นกองหลังด้วไม่ยอมบิฮีก็แกล้งพูดขึ้นว่าที่ท่านว่าท้งนี้ก็ชอบอยู่เราจะไปบอกเอีย่ยนีให้เอาปลาสำหรับที่แม่ทัพหลวงเนี่ยมาให้ท่านจริงจะควรมีฮุยบอกอย่างนี้เลยเนไหมความที่ไม่ยอมไม่ยอมไปเป็นกองหลังจะต้องเป็นกองหลวงคือเป็นแม่ทัพเ่ย คุย ว, ว่าแล้วก็กล้าอุเอียนไปหาเอีย่ยงหนีนักข่าใหญ่แล้วก็เรามีความทางปวงในฝันทุกประการว่าอุเอียนพี่เจ้าอย่างนี้อีย่ยหนีเดฝันนั่นก็วระรอแล้วก็พูดว่าอันอุเอียนนั้น